อันฝั่งที่ 6 ค่ะเข้าสู่รายการสังคมินสนทนารายการ FM 106 ค่ะเรา ก็เราจะเน้นในเรื่องของการมีสติอยู่กับลมกบเพราะว่าจะๆกันเลยกับลมหายใจเพียงอย่าง รู้สติปัฏฐาน 4 โดยใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงอ้าว 3 ก็คืออย่าตามลมนะให้รู้อยู่ที่จุดเดียว ไม่ต้องบังคับลมหายใจนะไม่ต้องแต่งลมหายใจให้มันสั้น ในความควบคุมตรงเนี้ยก็คือเช่นบางบางคนหายใจหายใจสั้นบางคนหายใจยาวบางคนหายใจแรงบางคน 2 รูก็ เอ่อสุ้มปุจฉาแยกแยะในเรื่องนี้เช่นเอ่อหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหาย <Okay. S 2> ได้หมดซึ่งจุดที่เราจะใช้ในการสังเกตเนี่ยสําหรับคนทั่วๆไปที่มีดั้งมีจมูกตามปกติก็ ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยเค้าก็เนี่ยนะแต่เราถามว่าคุณรู้ถึงค่ะนะแต่จุดเดียวเนี่ยใช่แล้วถามว่าถ้าเราลดการหายใจ คนเนี่ยเขาบอกว่าถามอาตมาตอนที่ออกไปเนี่ยออกมันสุดแล้วเนี่ยสังเกตมากเลยเค้าบอกว่าลมหายใจ เราจะรู้ถึงตำแหน่งที่ให้จิตเรามาวิหารธรรมค่ะค่ะทีนี้ๆใกล้จะเสียชีวิตในสิ่งที่ดีที่ แล้วคิดว่าการปฏิบัติตามมรรคของพระพุทธองค์ด้วยวิธีสติปัฏฐานนี่ค่ะสมมุติไม่รู้ตัวแต่เราเชื่อว่า เอ่อถ้าคนที่รู้วาระจิตคนอื่น แต่ว่าถ้าถ้าสมมุติตัวเราเองเรามีการเรื่อยๆเวลาเราป่วยเป็นผักไปอย่างเงี้ยนอนเป็นเจ้า แล้วถ้าเค้าแบบไม่ตอบสนองนะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เอ่อบางทีแต่หูนี่ก็อาจ ลมหายใจก็ลมหายใจของเรานะเราจะไปรู้ๆเนี่ยลมหาย ใครเคยฝึก 3 เนี่ยตอนเช้าตื่นมา 3:00 4:00 5:00 น. นั่งสมาธิแล้วบางจนแทบจะไม่มีเหมือนกับหายไปเลยอ่าแต่<ใช> นะถ้าลมหายใจหายไปแล้วก็ไว้อยู่กับความว่างๆตรงเดิม เราไป 10 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงหรืออาทิตย์นึง 2 อาทิตย์เราก็กลับมาบ้านก็รู้สึก<ใช> นะเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองเหนือเพื่อที่จะหลบภัยจากสุนัข เขาก็เห็นสุนัขจิ้งจอกเดินเข้ามาเขาก็หดอวัยวะนะมีหัวขา 4 ข้างหางเข้า ให้เราเอ่อมีความขึ้นขึ้นลงๆตามอํานาจของมันนะถ้าเป็นอย่างนั้นคือเราเสร็จมา อะไรรถเมยมาแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ใช่แต่ว่ารับ อันแรกเราเราแก้ปัญหาอย่างงี้เราทําอย่างงี้นะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยต้องต้องเป็นๆยาวๆทําค่อยๆฝึกเอาค่อยๆ4 <Okay. S 1> ที่ <Okay. S 1> มากขึ้นแล้วก็มีอุปมาอุปไมยถูกทําคือส่วนที่จริงจอค่ะอ่าดิฉันคิดว่ามนุษย์เราถ้าฟังดู ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะไปเจอผัสสะโน่นนี่ๆนั่นกันคือคุณญาณเนี่ยต้องเข้าใจอย่างงี้ว่าการ เอาเรายกตัวอย่างที่ไม่ดีก่อนนะไอ้การที่อย่างเต่า นักสุนัขจริงจอกลากออกไปกินแล้วนะอันนี้คุณเสร็จมันละอ้าว <Okay. S 1> เรารักษาจิตของเราได้รักษาแบบไหนก็เหมือนถ้าเช่นนั้นเนี่ยซึ่งคิดว่าหลายๆท่านคงจะบอกอืมอ่าอ่าลํา กับการที่เรามีสติระลึกอยู่กับการเวทนาจิต แล้วไม่มีปฏิกิริยาสามารถที่จะมีสติมางับยับยับยางได้อืมมีๆแล้วถ้าตรงณอยู่เฉยๆ ใช่ไม่ทําหรอกสิ่งไม่ดีอันนี้ค่ะอ่าได้ๆๆเจริญพรค่ะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านแล้วก็ๆแล้วบางคน อยู่ด้วยเหมือนกันดังที่ท่านไผ่บุญได้สรุป 27 นะคะเค้าท้อกันถึง